ท่านผู้ฟังได้โปรด 21 กุมภาพันธ์ 2533 แต่ว่าหนังสือ 2533 ต้องทําให้ ฟังหรืออ่านเรื่องของคุณ 100 เมตรนั่งที่ คนหลานก็มองไปมองมามองมามองไปคนหลานก็ถามคุณป้าว่าคุณป้า คุณไล่ก็ถามว่าคือมองไม่มองสูงการที่มองต่างๆว่าไม่ <c oughs> มีทั้งเทวดาผู้ชายและมีทั้งเทวดาผู้หญิง 3 วันท่านลุก <c oughs> 2 ท่านก็จัดการทํา ร่วมกับเทวดาชั้นจาตุมหาราชหนูจุลัยก็บอกว่านั่งต้นนี้ไม้รัง <c oughs> ป่านนี้ต้นแจงนี้ก็ไม่มีแล้วนี่บังเอิญต้นแจงเป็นต้นแจงเป็นไม้ที่คนไม่นิยมใช้ใน <c oughs> กุมภาพันธ์ 2533 วันนั้นตอนบ่ายหนูออกจากกรรมฐาน ซึ่งก็มีมีคนคุยที่ต้องคิดอยู่คนหนึ่งเล็กๆหนูก็ไม่รู้จักชื่อจาก <c oughs> เดินเข้ามาใกล้หลวงปู่ยกมือไหว้ด้วยความเคารพท่านถามว่าหมดนั่น <c oughs> การเดินหนหนทางกุเหลืองทําไว้กุเหลืองที่ไหนก็ แล้วอานิสงส์จะไม่เสมอกันอย่างทําบุญกับท่าน 100 ครั้งก็มีไม่ได้ทําบุญแล้วแลคร 100 ครั้งก็สู้กับ 1 ครั้ง ทำบุญกับ 100 ครั้งก็มีผลไม่เท่ากับว่าผู้ปฏิบัติพระโสดาปัตติมรรคนั่นก็หมายความว่าทำ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ท่านไล่เบี้ยไปถึงแต่ที่สุด หนูนั่งฟังหนูก็พยายามจําแล้วหนูก็มีว่าหลวงพ่อครับผมอยากจะถาม <c oughs> ตาฤาษีปู่ท่านบอกว่าไม่เคยพบตำราตามกันต่อมา 2508 อาตมา ช่วยวิกายก่อสร้างแต่สัญญาการช่วยมีมีได้ 2 แค่ 2 ปีในเวลานั้นท่านก็สอนกรรมฐานถึงเวลา 2 ทุ่มทุกวันพระเนนทั้งหมดต้องมาเจริญกรรมฐานร่วมกันแต่ก็มีอยู่วันหนึ่งปรากฏว่ามีบ้านบ้านหนึ่งอยู่ใกล้วัดมีเขามีคนตาย เป็น ik heb een paar noten de tijd. Ik heb een groep in de tijd. Ik heb een groep แต่แต่ว่าเรามาอยู่วัดนี้เวลาหลายเดือนแล้ว <c oughs> เวลากลางคืนก็ไม่มีเวลาว่างเต้าสอนกรรมฐานบ้างอธิบาย เดินอ้อมบริเวณไปในป่าทึบอ้อมบริเวณไปในป่าทึบ เป็นบ้านที่มีความสวยสดงดงามมากมียอดกลางที่มีความสวยสดงดคนคน 20 คนนั่ง <c oughs> อาตมาไปยืนตรงนั้นก็ได้ยินเสียงคนกับบ้านเขา พระใหญ่จะถามว่ามีใครไปบ้านนั้นมาหรือเปล่าก็มีคนยกมือขึ้นประมาณคนมาบ้านบ้านถามว่าแล้วพวกเองอ่ะได้อะไรมาบ้างบรรดาคนพวกนั้นก็บอกว่าพวกผมไม่ได้อะไรมาเลยครับท่านถามว่าทําไมเค้าทําบุญ จัดว่าเป็นคณะสงฆ์การถวายทานแก่สงฆ์ <c oughs> นั่งกินกันแบบสบายๆ เขาก็ถือว่าพระคล้ายๆกับลูกจ้างที่จะ คือถ้าพระสูตรอภิธรรมคนมาก็ก็ฟังอภิธรรมใน ตอนนี้หลวงปู่ท่านเล่ามาถึงตอนนี้แล้ว <c oughs> <c oughs> แล้วโยมก็ถามว่าก้อยอิสริย 4 ที่บ้านนั้นมีการเล่นการผนังกันไม่ได้รับอนุญาตพระทั้ง 3 กามเมสมิชชาจารย์ก็ทราบข้อใดข้อหนึ่งถ้าพลาดก็เชื่อ แต่ตามที่โยมถามมาว่าทําบุญประเภท ตามทางสันนิษฐานก็เห็นว่าที่เห็น แล้วก็มีแสงสว่างออกจากตัวแสดงว่าทุกคนทุกท่านที่ <c oughs> อย่างนี้นะเมื่อบาปเข้าไปสิงใจแล้วบุญมันจะ นี่ก็เป็นปัญหาข้อที่ 1 ถ้ามาคุย 40 ปี การพูดการจามีลักษณะท่าทางดีมี ก็พูดกันง่ายๆก็ได้เพราะว่าเรื่องบนเรื่องก็สอน <c oughs> สมบูรณ์ท่านก็บอกว่ามีเรื่องอะไรก็ควรไปเถอะดีเป็นเพื่อนกันถ้าได้ มันลึกอยากจะสวดมนต์ก็จึงลุกขึ้นจุดโทปูชาพระแต่ความจริงก็ไม่ค่อยเชื่อบุญไม่เชื่อกุศลแต่ว่าทางบ้านทางสามี แต่ว่าคืนนั้นเกิดศรัทธาขึ้นมาเองนอนแล้วนอนแล้วหลัง <c oughs> เธอก็ตอบว่าเมื่อกี้นอนนอนรู้สึกอยากจะบูชาพระสามีก็ดีใจ อินทามีๆให้ภาวนาพระพุทธโธก็ว่าตามที่นึกได้ เนมเมื่อมาเข้ามาใกล้ห่างไปเอาจากตัวออกไปประมาณสัก 2 เห็นมีศาลสว่างมากมีทัศภาพสดชื่นก็นึกในใจว่าที่สามีเค้าเต็มใจบูชาพระเค้าอาจจะเคยเห็นภาพอย่างนี้ภาพอย่างนี้มันภาพที่คล่องสดชื่นชื่นใจมากก็ดูไม่อิ่มไม่เบื่อเวลาดูนั้นไม่ได้หลับตาดูลืมตาดูพอเห็นได้การลืมตาประมาณสักเห 5 ค่อยๆจางไปแล้วเมื่อเริ่มค่อยๆกลางตัวท่านก็บอกว่าฉันคือหลวงพ่อปาน <c oughs> พอมาคืนวันหลังๆเธอก็ลองทําใหม่ลองทําอีก หลังจากนั้นมาเธอก็ 3 เดือนมานี่เองสนใจ อ่านแล้วก็ทราบว่าหลวงพ่อเป็นรูปศิษย์ของพระปานหนูก็มานี่แหละจึงทราบถามก็เถิดว่าเธอมานํามีๆรูปศิษย์พระปานมีองค์ ก็เลยบอกกับหลวงปู่ <c oughs> แล้วก็เป็นพระอริยเจ้าได้เข้านิพพานได้แต่ไม่มีความเป็นทิพย์ของจิต เมื่อจิตเป็นทิพย์แล้วสามารถระลึกชาติได้เราก็เห็นสวรรค์เห็น <c oughs> อย่างนี้มีได้ด้วยเห็นสวรรค์เห็นแลอย 3 และ 6 แล้วก็ ในวันนั้นวันนั้นเวลานั้นจิตกําลังเข้าถึงอุปจารสมาธิพอดีตามธรรมดาจิตของเราถ้าเข้าถึง แล้วว่าถ้ากําลังกิเลสบางมากจริงๆก็จะมีความรู้สึกว่าคล้ายกับเห็นจากลูกตาจริงเธอฟังแล้วเธอก็เข้า แล้วความความเป็นจิตเป็นทิพย์เป็นของเธอที่คุณยายเคยเธอเธอเคยได้แล้วมันใช่ก่อนแต่เธอเค้ายังมีความผูกพันรูปาในฐานะเป็นลูกเป็นหลานเป็นลูกศิษย์ลูกหาก็มาก่อนก็ได้ฉะนั้นต่อไปเค้าพยายามให้ฝึกกรรมฐานให้ เอาล่ะคุณป้าพอถึงเวลาพอสวัสดี